177ิทิฏฐิหรือลทัทธิที่ไม่มีโรกุตรธรรมไม่เสถียรทั้งนั้นแม้จะมีบางทิฏฐิหรือบางลทัทธิศาสนาที่ดูเหมือนสามารถหลุดพ้นกามคุลหมีชาหนึ่งสองสาสเป็นผู้มักน้อยสันโดษและทิ้งโลกี ทิ้งลาบยศสรรเสริญยิ่งกว่าแบบพุทธเอาด้วยถึงขั้นไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยแก้ผ้าทงทงนุ่งลมห่มฟ้ามีชาชนะเพื่อใส่อาหารกินใบเดียวกับแทบปัดระมัดระวังสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้แต่ผมก็ถอนเอาทีละเส้นจนหมดหัว ไม่ใช้แม้แต่มีดโกนดูช่างตัดขาดได้เด็ดจังดูช่างละทิ้งได้เยี่ยมยอดไม่แลไม่แตะไม่สัมผัสไม่สัมพันด้วยอย่างเห็นเห็นว่าขาดจากโลกชัดเจนมากจึงเชื่อถือกันได้ง่ายชัดสัมผัสหยาบด้วยการเห็นต้งโต้งว่าลัทธิเช่นนี้เขาไม่จริงๆ ไม่มีไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของเราภายนอกยืนยันอยู่โทนโทเห็นได้อยู่หลัดหลัดต้องต้องแต่ในใจจริงยังไม่เสถียรอย่างไม่แน่นอนเป็นนิจจังทุวัง ส, สตังอะวิปริณามธรรมัง อสังหิรังอสังกุ ป, ปังเหมือนผู้มีทิฏฐิแบบพุทธและได้ปฏิบัติแบบพุทธจนสามารถบรรลุผลสำเม ร, ร็จหรอกเพราะในใจจริงนั้นลัทธิที่มีทิฏฐิทิ้งกว้างไปเลยพรากจากไปไม่เอาเลยนั้นไม่ได้ฝึกอยู่กับภาวะที่โลกสารพัดมีอะไรต่ออะไร กันมากมายที่เป็นทั้งประโยชน์และโทษภยัยซึ่งเป็นทั้งสิ่งจำเป็นต่อชีวิตและไม่จำเป็นต่อชีวิตเป็นทั้งคุณและโทษสำหรับชีวิตแท้ๆจึงไม่ได้ฝึกเรียนรู้ความเป็นอัตตาที่เกิดขึ้นในใจตนด้วยอุบายวิธีเหมือนอย่างพุทธมีก็ไม่ รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาอย่างรู้แจ้งจบครบอัตตาสามโอราลิกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตอตาก็ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกและความเป็นอัตตาอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์โดยกาจัดความเป็นโลกและความเป็นอัตตา ส่วนที่เป็นกิเลสาสวะกิเลสานุสัยในที่สุดอยู่กับโลกกับอัตตาได้ชนิดที่ไม่เป็นภยัยไม่เป็นโทษแก่โลกแก่ตนเลยแต่มีชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าประโยชน์ไรโทษไรภัยใดๆแก่ใครแก่สังคมจริงๆอยู่กับโลกดียิ่ง ชนิดที่สเสถียรถึงขั้นนิจจังทุวางสัสตงังอวิปรินามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังดังที่เคยพูดอ้างอิงยืนยันมาผ่านแล้วมากครั้ง